พระมาจโลกาทิปติสหัมปติกัชลีอันทิวรังายาจพะสันติทัสตาปราชฆ า, า, า, า, า, า, าชามิกาเทเสตุอามังนุกรมปิมังปัจฉามก่อนเอิ่เก้าวกาผมขอโอกาสพระมาหาเถระพระอนุเถระ ก็ผมขอโอกาสจะได้เป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้แต่ว่าการแสดงธรรมของกระผมก็คงจะ อ, ออกไปในลักษณะเป็นพระป่าพระดงคนขออภัยกับมหาเถระผู้คงแก่เรียนทั้งหลายแล้วก็น้อง รุ่นน้องๆทั้งหลายที่ได้รับการศึกษามาอย่างดีแต่ส่วนเขาขอผมเนี่เป็นยอมรับว่าเป็นพระป่าพระดงอยู่กับครูบาอาจารย์มาจากภูผาป่าไม้แต่วันนี้ก็เห็นคณะสงฆ์ผู้จัดงานคงจะเห็นว่า ก้าผมเป็นองค์แสดงธรรมทุกปีขณะเมื่อท่านองค์หลวงปู่ยังฉกธาตุขันอยู่ข้าของผมได้มาแสดงธรรมในวัดโพธิสมพรในช่วงที่เป็นวันเกิดของท่านแต่บัดนี้วันนี้ก็ได้มาแสดงธรรมในวันสุดท้ายคือวันมรณภาพของท่าน พระสงฆ์น้องนุ่งทั้งหลายที่จัดการเครองจะเห็นว่าเก้าขอผมเป็นพระที่เคยมาแสดงธรรมณวัดโพธิ์ที่สมพรแห่งนี้วันนี้จึงมีการได้มาแสดงพระธรรมเทศนาเก้าขอผมขออภัยอย่างมากต่อพระมหาเถระอนุเถระหรือครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายผู้คงแก่เรียน ก็ผมจะได้แสดงทำตามความคิดเห็นที่ได้เคยศึกษาและปฏิบัติมาอย่างไรก็จะได้ชี้แจงให้กับคณะทายาทโยมลูกหลานแต่เก้ากับผมเองจะขอสมมุติเก้ากับผมเองเป็นหลวงพ่อฮะแต่ครูบาอาจารย์ก็ให้ถือว่าเป็นน้องนุ่งแล้วกันแล้วก็ถ้าหากเป็นศรัทธา ญ, ญาติโยมผู้มีอายุมากกว่าก็ถือว่า เป็นน้องกันแล้วกันอาตมาภาพจะถือว่าเป็นรุ่นพี่นะแต่มองมองดูแล้วผู้ที่ฟังธรรมเทศนาจะเป็นพ้นลูกรุ่นลูกรุ่นหลานมากกว่าเพราะว่าเก่ากับผมเองปีนี้ก็อายุ72ปีเต็มมาหมัดไม่ใหม่เมื่อ27เมนมษาที่ผ่านมาเพราะนั้นอายุ <c oughs> ก็มากพอสมควร เพราะนั้นจึงได้ขออภัยจากทุกทุกท่านอย่างที่เก้ากับผมได้ฟารบมาและก็วันนี้ก็เป็นวันชุ่มเย็นจริงๆเป็นวันชุ่มเป็นวันเย็นฝนตกเกือบตลอดทั้งวันหลวงปู่ของเราปกคงจากประสิทธิ์ประสัดเอาความร่มเย็นให้กับลูกลูกหลานแต่ทีอยังไงก็ลูกหลานทั้งหลายก็ขอละพอแล้ว ขอเทพเจ้าเหล่าเทวาบรารมีขององค์หลวงปู่ขอให้หยุดฝนไว้ก่อนจน ก, นจนกว่างานจะเสร็จเพราะว่าถ้าหากว่าฝนตกตลอดไปก็คงจะไม่เป็นผลดีสําหรับจัดงานสําหรับลูกสําหรับลานแต่หลวงพ่อเองก็เคยได้ยินหลวงปู่สิงห์ทองพูดนะณะทธายญาติโยม หลวงพ่อเองจะพูดให้ใครเครียดสักหน่อยนะหลวงปู่เชียงทองท่านบอกว่าคาถากันฝนจาไว้นะหลวงปู่เชียงทองลูกศิษย์หลวงตานะหลวงพ่อเป็นรุ่นลุ่นฤุ่นหลานนะคาถากันฝนหลวงพ่อก็ตั้งหูเื่อตั้งใจฟังนะท่านจะว่าไงท่านบอกว่านํามันง่าทา่าวลัน ตกบ้านตก บ, นนบ้านพุ่นบ้านพี่ญาติตกคาถาคาถารกปู่สิงห์ทองนะเขาวนี้ก็เหมือนกันนะอย่าตกบ้านนู้นนะบ้านนี้อย่าตกนะขอให้ฝนทั้งหลายฝนทั้งหลายขอร้องหยุดจะก่อนอนะร์เทพเจ้าเราเทวาเพราะว่ า, วางานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นงานของผี่น้องผีชาวอุดอรหลวงปู่ของเราก็เป็น รลวงปู่ที่เชิดชูบูชาเพราะนั้นงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทาาว่าฝนตกละโอรู้สึกว่าอะไรก็ไม่สะดวกทั้งหมดตอนนี้ไปเก้ากับผมจะเข้าประเด็นแสดงธรรมนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะ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 ขยะวยะธรรมมาสังคาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทาติติวันนี้เก้ากับผมหรืออาตมาภาพหรือหลวงพ่อจะได้กล่าวสังเวทธนิยกถาคือคถาเกี่ยวกับการมรณาภาพขององค์หลวงปู่ที่ท่านมรณาภาพวันพรุ่งนี้จะเป็นวัน พระราชทานเพลิงสรีระสังขารของท่านจะมีการกำหนดการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลพร ะ, พ ร, ะราชทานเพลิงศพพระอุรมยานโมดีวงเล็บจันศีจันททีโป อดีตเจ้าอาวาสวัดโที่สมพรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ก้าธรรมยศอดีตที่ปรึกษากรมการมหาเถระสมาคมณนะเมนชั่วขาวนกหัดจดีลิงวัดโที่สมพรอำเภอเมืองอุดรจังหวัดอุดรธานีวันเสาร์ที่ส6ห เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2560แต่เย็นวันนี้เป็นวันเย็นวันที่15คือวันที่16ที่วันพรุ่งนี้จะมีงานพระราชทานเพลิงจรีดาสังขารขององค์หลวงปู่วันนี้ก็มีจะมีการสวดจบลงไปจากครู่นี้ตอนนี้ไปจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาจะมีการแสดงสาม ทราบว่าจะมีการแสดงธรรมเทศนาสามกันก็ให้หลวงพ่อเป็นองค์แสดงองค์ที่หนึ่งในวันนี้วันนี้พวกเราท่านทั้งหลายหลวงปู่ของเราเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในเขตภาคอีสานก็ว่าได้แต่กระผมเองอาตมาภาพเองหลวงพ่อเอง ได้อยู่ที่วัดป่าบ้านตาจุองค์หลวงตามหาบัวตั้งแต่ปี 2,512 แล้วก็ออกไปอยู่ออกไปออกไปจำพรรษาทางอําเภอนายูวัดป่าหน้าคําน้อย 2,525 25, เป็นเวลาอยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลา10กว่าปีก็ได้หมุนเวียนหลวงปู่เองก็ได้เข้าไปหาองค์หลวงตาองค์หลวงตาเองก็ได้มากราบองค์หลวงปู่ ถือเสมือนว่าองค์หลวงปู่วัดโปที่สมพรก็องค์หลวงตาเป็นสหธรร ม, มิกแต่องค์หลวงตาท่านก็ให้ความเคารพในองค์หลวงปู่แต่องค์หลวงปู่เองท่านก็ให้ความเอื้อเฟื้อหรือความเมตตาความเคารพในองค์หลวงตาเหมือนกับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในสายตาของหลวงพ่อเห็นทั้งสองพระ อ, องค์แล้วก็เวลาเข้าไปหากันแล้วก็ นั่งคุีโดยสนิทสนมแต่องค์หลวงตาหลวงปู่ใหญ่ท่านก็บอกว่าสมัยเมื่อเรียนหนังสือจ า, จากกรุงเทพขึ้นไปไปพักที่จังหวัดเชียงใหม่องค์หลวงตาไม่ไม่ได้เอามุ้งไปด้วยลืมมุง้งแต่องค์เจ้าคุณปู่ของเราเนี่ยท่านก็เห็นว่าหลวงตาไม่ไม่มีท่านก็เลยเอามุ้งของท่านถวายองค์หลวงตาได้ใช้ ตั้งแต่บัดนั้นมาท่านก็รู้จักมักคุ้นกันมาโดยตลอดถึงองค์หลวงตาอยู่วัดป่าบ้านตาแต่เจ้าคุณปู่อยู่วัดโบที่สมพรองค์หลวงตาเป็นผู้ที่ศรัทธาญาติโยมรู้จักมากมายอธิเลกราบมากพูดง่ายงาย่าแต่ถึงยังไงก็องค์หลวงตามหาบัวเวลาเจ้าคุณปู่เข้าไปพูดปารบอยากจะซ่อมแซมหรือว่าสร้างเจนาชนะ องหลวงตาก็เอือํานวยถวายมามากต่อมากเหมือนกันแต่หลวงพ่อได้ทราบบางทีหลวงพ่อเองก็ได้เข้าไปกราบองหลวงตาด้วยบางทีหลวงปู่ของเราก็ไม่ไม่กล้าที่จะองพูดกับองคหลวงตาท่านก็พูดกระซิบกระซาบให้หลวงพ่อได้ทราบหลวงพ่อก็เป็นพระน้อยพระหนุ่มพอได้ทราบแล้วก็อือจุดประสงค์ของหลวงปู่เราท่านอยากจะซ่อมซ่อมหรือว่าสร้าง กุติอีกพักภาอาศัยหลวงพ่อเองก็ได้เข้าไปกราบองหลวงตาเ่้าเจ้าคุณปู่ท่านได้พูดพูดอย่างนี้กับผมแต่ท่านคงคงจะไม่กล้าขอพ่อแม่ครูจารย์แต่ความประสงค์ของท่านก็คงอยากจะมีความจำเป็นในเรื่องในจุดนี้ครับผมพอจากนั้นมาท่านทราบทล้ท่านเขาเข้ามาหาหลวงปู่ท่านก็ได้มอบจะตุปัจจัยให้อันนี้ก็ ก็มีเน่ยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือสองพระองค์คือองค์อองหลวงตามหาบุญกับองค์หลวงปู่ของเราเอา่าเป็นสหธรรมิกไปมาหาสู่กันโดยสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นในฐานะากระผมเองเอา่าหลวงพ่อเองในฐานะพ่อลูกพ่อหลานก็ให้ความเคารพทั้งสองพระ อ, องค์มาโดยเสมอโดยตลอด แล้วก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรก็ได้เข้ามาอย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าวันงานวันเกิดขององค์หลวงปู่ก็ได้เข้ามาแสดงธรรมในงานขององค์หลวงปู่เกือบจะว่าไม่เป็นแต่ละปีแต่มาคราวนี้ก็มีความสลดใจอีกเหมือนกันองค์หลวงปู่ได้มรณะภาพลงไปแต่ถึงยังไงอายุของท่านก็ร0อยปี อันนี้ก็คือธรรมชาติของร่างกายของมนุษย์ชาติจะไม่มีใครที่จะหลีกเลีหนีพ้นไปได้มีแต่ใครจะยืนนานไปสักได้สักเท่าไหร่ขนาดพระพุทธองค์พระพุทธเจ้า ว, วรมครูของพวกเราท่านก็ทรงพระชนอยู่เพียง80พระพันศา80ปี ในหลวงปู่ของเราก็ได้ร้อยสีีก็มากกว่าพระชนมายุของพระพุทธเจ้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องความตายมันไม่ใช่ของสนุกไม่ใช่ของที่ถ้าพูดดไปแล้วไม่ใช่ของที่ถ้าคนอื่นตายก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคล้ยคยคยายๆว่าบอกห่างถ้าห่างตัวของเราถ้าเขาว่กใกล้ตัวของเราเข้ามาก็จะเทือนใจ อยู่บ้างถ้าใกล้เข้ามาเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสะเทือนใจถ้ามาเจอกับตัวของเราเองเราก็จะสะเทือนใจอย่างมากเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกกล่าวสอนว่าให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอเพื่อทาไมพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายเพราะให้เคยชินกับความระลึกถึงจุดนี้ถ้าหากว่าพวกเราไม่เคยคิดถึงจุดนี้เสเลยพอความตายเข้ามาถึง แล้วก็กลัวสะดุ้งเหมือนกับเราเห็นงูท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเราเห็นงูถ้าคนไม่เคยเห็นงูคนนั้นจะกลัวมากแต่ว่าถ้าหากว่าเราเคยเห็นงูบ่อยๆพอเห็นงูเข้าไปแล้วก็เอาไม้เขี่ยวทิ้งออกไปให้ห่างเรารู้จักวิธีกรรมวิธีการนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าพวกเรา ไม่ระลึกถึงความตายทำอีกสักวันหนึ่งเมื่อความตายเข้ามาถึงเราก็จะสะดุ้งกลัวเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอหายหายใจไม่เข้าแล้วก็ใช่หายใจไม่ออกก็ตายหายใจไม่เข้าไม่ออกตายทั้งนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอยู่ณสถานะไหนให้ระลึกลำลึกไว้อยู่เสมอ ในหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะที่ว่ามรณงคือความตายแต่ถึงยังไงก็ตามเพราะพุทธเจ้าของเราบรมวครูที่ท่านหนีออกจากเพียงวังออกไปบวดออกไปทรงผนวดอยู่ในป่าถ้าเราศึกษาในพุท ธ, ธประวัติของพระองค์แล้วพระ อ, องค์ก็กลัวความตายเหมือนกันเพราะว่าอันดับแรกพระ อ, องค์ไป นั่งราชรถกับนายชนะพอไปนั่งไปชมสวนอุทยานวันแรกก็ไปเห็นคนแก่พกุทธก่อท่านไม่เคยเห็นคนแก่ทำไมพระพุทธเจ้าสิท ธ, ธัตถะอายุถึง29ปีทำไมไม่เห็นคนแก่ก็เพราะว่าพระเจ้าจุดโททนะพระปีดาไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้เห็นแต่สิ่งที่ สีวิไลสวยงามคู่คนก็ตามถนนหนทางก็ตามหรือว่าที่ไหนๆมีแต่ความสวยงามไม่ให้เห็นที่ว่าสิ่งสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่พออายุถึง29เปีก็นางพิมพายโสธราก็พร้อมที่จะประูตรพระโอรส เพราะนั้นพระเจ้าสุดโทธนะจรวางใจที่ว่าสิทธะคงจะอยู่ได้และคงจะไม่หนีออกจากคงไม่หนีออกไปทรงผนวชอย่างนี้จากนั้นก็ปล่อยตามที่พระ อ, องค์จะไปณนะสถานที่ใดแต่วันนั้นเมื่อพระ อ, องค์เสล็จไปที่ไปชมสวนอุทยานไปก็ไปเห็นคนแก่วันครั้งต่อมาก็ไปเห็นคนเจ็บ คนป่วยจากนั้นก็ไปเห็นคนตายจากนั้นก็เห็นสัมมณะพอเห็นสัมมณะพระ อ, องค์ก็เอ่อเคสขึ้นมาเอาสรร ม, มณะท่านนี้ทำไมนั่งอยู่โครนต้นไม้นั่งท่าสำรวมเขานั่งทำไมนายชนะก็บอกว่าสัมมณะท่านนี้เขานั่งคุ้นคิดในเรื่องที่เขาต้องการเขาอยากจะได้อะไรเขาต้องการอะไรเขานั่ง คิดหากันกรองไตรตรองในเรื่องนั้นๆจากนั้นเขาจะได้ดําเนินตามที่ได้คิดว่าถูกต้องแล้วท่านศิษฐธาท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและก็เห็นส ม, มณะท่านบอกถ้าเราจะหลีกลี้หนีออกจากความแก่เจ็บตายนั้นเราต้องมานั่งต้องทำเหมือนส ม, มณะท่านนี้ส ม, มณะท่านนี้เป็นตัวอย่าง เพราะว่าถ้าเราอยู่ในเวียงวังคงจะหาทางออกไปได้คงจะไม่มีโอกาสที่จะหอหาทางออกได้เพราะเรามีภาระมากไ ม, ม่รู้เรื่องอะไรตัวมีอะไรแต่ละวี่แต่ละวันเพราะนั้นเราควรจะหนีออกจากเวียงวังอันนี้แหละคือจุดฉนวนแรกที่พระ อ, องค์ได้หนีออกจากเวียงวังสรุปแล้วก็คือพระ อ, องค์กลัวความตาย เนี่ยนะพอเห็นความตายแล้วจะทํำยังไงจุดจกไม่ตายจะมีวิธีการพิธีกรรมไหมที่จะออกจากความตายจุดนี้นี่แหละเมื่อพระองค์หนีออกไปจากบุกเวียงหวังพระองค์เขาไปอยู่ไปอยู่ทรงผนวดอยู่ที่แม่น้ำมโนมาณทีฝั่งแม่น้ำมโนมาณทีจากนั้นก็บําเพ็ญทั้งหปีหาทางออกลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเหมือนกับลองวิ ทาศาสลักษณะอย่างนั้นแต่พอถึงวันเดือ น, นหกเพนพระองค์ได้นั่งคัดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสง บ, บลงเป็นหนึ่งพอจิตรวมสง บ, บลงเป็นหนึ่งเกิดยานรัศนาเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาเรียว่าปุเพนิวาสารุสติยานรละลึกชาติผลหลังได้เป็นเบื้องแรก พอเทียงพอถึงเที่ยงคืนจุดูป่าตะยานเอ่อระลึกมองเห็นสัพพสัต์ทั้งหลายเออการจุติการเกิดการตายของสัพพสัต์ทั้งหลายเออทำไมมนุษย์เกิดมาสัพพสัตต์ทั้งหลายเกิดมาจึงไม่เหมือนกันอันนี้ก็พระองค์ก็ได้มองดูอ่ท่านก็มองดูว่ากรรมคือการกระทำของมนุษย์การคิดไม่เหมือนกันการพูดการกระทำไม่เหมือนกัน เพราะนั้นมันจึงออกไม่ไม่เหมือนกันอันนี้นะว่าจุตูปาตาานพอจวนสว่างพระองค์ก็ได้มองดูพร ะ, พระองค์มาจากไหนพระไทยใจของพระองค์มาจากไหนดูต้นตอของดวงวิญญาณที่เกิดมาจากไหนท่านว่ามามาจากอวิชชาอวิชชาปัจจะยาสร้างข้าราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณัง สรุปแล้วใจตรงนี้ออกมาจากความโง่คือความไม่ฉลาดจากนั้นก็มีโสกะผริเทวทุกขโทเกิดแก่เจ็บตายร้องไห้พิไรรำพันทั้งหลายออกมาจากตัววิชชาเพราะนั้นพระองค์จึงใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเข้าไปกันกรองไตรตองจนันพระองค์ได้ตัดรู้พระอนุต ร, รสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละคือความเป็นมาของพุท ธ, ธะ สรุปแล้วก็คือเรื่องพุทธศาสนาหัวใจจุดใหญ่ก็คือเรื่องสมาธิออกมาจากเรื่องสมาธิในเมื่อจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วท่านจึงบัญญัติเรื่องศีลเรื่องวิ น, นัยเรื่องต่างๆขึ้นมาการดูแลการปกครองการบริหารจัดการเรื่องต่างๆสรุปแล้วก็คือออกมาจากความบริสุทธิ์หลุดพ้นของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนน ะ, ะชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่มีใครที่จะหลีกเลีหนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภยัยเรื่องความตายแต่ถึงยังไงก็มีทางออกอตายแล้วไม่สูญจุดนี้ควรจะศึกษานะตายแล้วไม่ศูญตายแล้วเกิดอีกอทําไมจึงว่าตายแล้วเกิดเพราะพระพุทธเจ้าท่านไปพิจารณาการกลอง เพี่นั่งสมาธิแล้วว่าปุพเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้ถ้าพระพุทธเจ้าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าก็คงจะระลึกชาติระลึกถึงผลหลังไม่ได้เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอันนี้ก็คือแนวแถวของพุทธะแต่มาพูดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราเพราะหลวงพ่อเองศึกษามาในแนวแถวสายหลวงปู่มั่น แต่สายสายอื่นล่ะสายอื่นท่านก็ได้สายอื่นยุบเนอพองหนอสัมมาอรังมีมากมายาถ้าเราศึกษาสายที่เบสสายศีรกาสายพมา่าเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นหือกรรมฐานคงจะแตกแตก ต, ต่างกันแต่สายหลวงปู่มั่นท่านให้ภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้คือสายหลวงปู่มั่นแต่ตามไม่จริง สายอื่นดีไหมก็ดีดีทุกสายนี่ยนะขอทําขอสําคัญทําให้จริงจังทําให้จริงจังถ้าหากว่าทําจริงจังแล้วก็ดีเหมือนกับเราทํามาค้าขายเน่ยถ้าทําท่าขายถ้าทําข้าวถ้าทําจริงทํานาทํานาขายข้าวก็ได้ข้าวถ้าทําสวนอ้อยทําจริงจังก็ได้อ้อยถ้าทํำมณจัมปังทําสิ่งไหนก็ตามเป็นข้าราชการก็เหมือนกันทุกระดับ ถ้าทำจริงทำจังก็ได้ดีด้วยกันทั้งทั้งนั้นแต่ถ้าทำไม่จริงไม่จร ง, จรงก็เลาะเลาะแหละก็ลผลที่สุดก็ไม่ประสบผลสำเร็จนี้ก็เหมือนกันาการภาวนานในแถวของพ่อแม่ภูบาอาจารย์ทุกสายเราไมา่ได้ตาหนิสายนู้นสายนี้ตำหนิแต่ว่าความขี้เกียจความไม่ใส่ใจความไม่ตั้งใจอันนั้นตำหนิแต่ถ้าว่าผู้ตั้งใจ ไปในทางที่ถูกต้องอาตามธรรมคำสอนของพุทธะโดยมากจะได้ประสบสำเร็จในองค์หลวงปู่มั่นของเราท่านก็บอกว่าเวลานั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพิกรมพดแต่พระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก แต่หลวงปู่มั่นเขาบอกวเวลาหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทนะนี่แหละเมื่อเราบริกรรมพุทโธจิตจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตความเข้าสู่ความสงบจิตเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าร่างกายของเรากับใจของเราใจกับกายกายกับใจเป็นคนละอ่านกันนะใจอาศัยกายกายใจเป็นนายกายเป็นเบาว แต่ได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายมนโนปุพังเข า, งม า, ามาธรรมามโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจในเมื่อจิตใจเมื่อนั่งสมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะเห็นได้ชัดกายกับใจ หลวงพ่อเลยมาเปรียบเทียบให้กับพวกเราคณะสัตธาย ญ, ญาติโยมได้ฟังว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถอาศัยกันแต่เมื่อร่างกายแตกตาย ส, สู่ดินน้ำลมไฟใจได้ก็ออกจากร่างออกจากร่างไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆใจเป็นนามัทธธรรม แต่ไปหาเกิดที่อื่นได้ใจดวงนี้แหละถ้ามันทุกข์เวลาทุกข์มันไม่ใช่ทุกข์กายนะมันทุกข์ในใจแต่ร่างกายของเราจะถึงจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ไม่มีทุกอย่างแต่ว่าใจของเรามันทุกข์มันทุกข์ใจบางสิ่งบางอย่างที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมันทุกข์ที่ใจนี่แหละทุกข์กายก็มีทุกข์ใจก็มี ทุกร่างกายก็คืออย่างที่พวกเราหิวร้อนร้อนหนาวอันนี้คือทุกข์กายแต่ว่าใจเป็นผู้รับรู้อีกเหมือนกันเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าพราะนครอยพวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องของใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านาบำเพ็ญกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในเรื่องนั้นถ้าเราคิดทําพูดลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะ ที่ท่านยกเป็นพุทธภาษีว่าอัคตังลุกตังเซโยปัชาตตปติลุกตังยยรตตกรรมชั่วอย่าทําะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละสรุปแล้วก็คือใจดวงนั้นเราเออกไปทําคิดชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเมื่อทําชั่วลงไปมันไม่ใช่อื่นไก ล, ลตัวเองจะเดือดร้อน อ, อ, อันดับแรกนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลให้ศึกษาออให้ศึกษาเรื่องหลักธรรมคำสอนของพุทธะออแต่ถึงยังไงที่พูดทางนี้ทางนั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้เราเชื่อส่วนเดียวเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนำไปคิด นำไปการกลองไตรตองด้วยเหตุและผลนำไปปฏิบัติการศึกษาธรรมะไม่ใช่ว่าเรียนและจะรู้ทีเดียวรู้ ร, รู้แต่จะรู้ทีเดียวไม่ใช่เรารู้แล้วแล้วก็ธรรมะของ พ, พระพุทธเจ้ า, าไม่ใช่เรียนและจะรู้ต้องผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้อันนี้คือที่ท่านบอกกล่าว ไม่ใช่ธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่ประมาณการไม่ใช่คาดคะเนไม่ใช่เดาผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติทำยังไงปันการปฏิบัติกรตามทำตามที่หลักทำคําสอนของพุทธะที่ท่านได้ปฏิบัติในวันเดือนหกเพนนินันอันดับนั้นคือกอไก่เลื่อเลขหนึ่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตใจของพระองค์รวมสงบ เป็นหนึ่งแล้วเกิดยารัตันนะเกิดฌานเกิดความรู้ขึ้นมาปุเพนิวาสารนิตยาละลึกชาติหวนหลังได้นี่แหละคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพระาะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาในจุดนี้แหละจุดจุดที่ทำทำคำสอนเพระาะนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดแต่การสะแสวงหาทรัพย์ก็จําเป็นนะ แต่ว่าการสะแสวงหาธรรมะเข้าสู่จิตใจก็จําเป็นจําเป็นทั้งสองอย่างอาหารกายอ า, อาหารกายอาหารใจอาหารกายคือข้าวน้ําโภชนาอาหารคือเงินพูดง่ายเงินคืออาหารของร่างกายเมื่อได้เงินขึ้นมาแล้วก็ซื้อปัจจัยสี่ผ้านุ่งห่มมาบํารุงร่างกายแต่ว่าอาหารใจต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคณะสตรายาจโจรนะ อาหารใจก็อย่างที่นั่นแหะศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยคืออาหารใจแต่ถ้าว่าพวกเราไปเล่งแต่อาหารร่างกายอย่างเดียวไม่ได้ดูไม่ได้ดูอาหารใจแปล ว, ว่าขาดตกบกพร่องน ะ, ะถ้าว่าเราดูทั้งกายด้วยอาหารกายด้วยอาหารใจด้วยอาหารกายก็คือข้าวน้าโภชนาอาหารถึงจะมีเงินคำทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหน หลวงพ่อก็เคยพูดว่าส่งถึงโรงพยาบาลเงินนะถึงโรงพยาบาลอยาองอหลวงปู่ของเราเนี่ยนะถึงมีเงินขนาดไหนก็ส่งถึงโรงพยาบาลแพทย์หมอก็รักษาเต็มที่พอรักษาไม่หายแล้วกันยอมแพ้หลวงปู่ก็จะต้องได้ละทิ้งขันทุกคนไม่ว่าจะหลวงปู่นะแต่เมื่อทิ้งขันไปแล้วเนี่ยก็พวกเราก็ ญาติพี่น้องถึงจะรักขนาดไหนทั่วประเทศอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็มาส่งหลวงปู่ขึ้น ส, สู่เมนวันนี้นะแต่วันพรุ่งนี้พวกเราก็คงจะถือดอกไม้จันขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปวางดอกไม้จันนึกในใจเออหลวงปู่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังหลวงปู่ด้วยกายวาจาใจของรบขอหลวงปู่โปรดอโหสีกรรมให้พวกพวกระผมด้วย เพราะว่ากับผมได้ประมาทพลาดพลั้งคิดคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีกับองค์หลวงปู่ขอหลวงปู่ปวดหัวกีกรรมให้กับผมด้วยแต่เมื่อหลวงปู่ได้กระทากับพวกผมด้วยกายวาจาใจอย่างไรกระผมเองก็ยินดีเอาหวสวีก ร, รมให้หลวงปู่ขอให้หลวงปู่ไปดีเป็นสุกติทุกติภูมิขององค์หลวงปู่นี่แหละจากนั้นก็วางดอกไม้จนทร์ก็ลงมามานั่ง สรุปแล้วคือเงินส่งโรงถึงโรงพยาบาลญาติพี่น้องเพื่อนฝูงญาติโกโหติการลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายส่งถึงเมนเจากนั้นหลวงปู่ก็ออกจากนั้นก็ได้เวลาออตอนเย็นวันพรุ่งนี้ก็จะมีการพระราชทานเพลิงจริแลสังขารของหลวงปู่จากนั้นหลวงปู่ก็ดวงวิญญาณของหลวงปู่ก็ว่าหลวงปู่ไปตามลาพังนะอัตหิอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราเนี่นราล่งปูไปตามลําพังแล้วนะที่นี่นะบุญกับบาปท่านั้นนะจะเป็นเครื่องพาหลงปู่ไปถ้าหลงปู่สําเร็จเป็นพระอรหันต์หลงปู่เข้าสู่นิพพานถ้าหลงปู่ได้ญาณก็ไปเกิดไปเป็นพรหมถ้าหลงปูอ น, นิสงสินอ น, นุสงทานก็ไปสู่สวรรค์ ท่าหลวงปู่ไม่อยากจะไปสู่สวรรค์ก็มาหาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่เราก็มั่นใจว่าหลวงปู่ท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบคงจะสูงสุดแต่เราก็ไม่กล้าที่จะทํานายว่าองค์หลวงปู่สาเร็จขั้นไหนแต่ก็มั่นใจว่าหลวงปู่ต้องไปดีเพราะท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกัน ที่ยกตัวอย่างหลวงปู่เป็นตัวอย่าง เ, าเราหาเงินคำทรัพย์สมบัติส่งถึงโรงพยาบาลถึงนั่นแหละหมอหมดความสามารถแล้วกระจกญาติพี่น้องอลูกศิษย์ลูกหาส่งถึงเมนจากนั้นหลวงปู่ไปตามลำพังบุญกุศลเท่านั้นแหละเป็นเครื่องเป็นเพื่อนสอง ถ้าว่าหลวงปู่ทากรรมชั่วกรรมชั่วจะเป็นเพื่อนสองหลวงปู่แต่ถ้าว่าหลวงปู่ทํากรรมดีกรรมดีเป็นเพื่อนสองหลวงปู่แต่พูดทางนี้ทั้งนั้นเป็นยกเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมั่นใจหลวงปู่กรรมดีของหลวงปู่สิ่งที่หลวงปู่ได้กระทํานั้นหลวงหลวงปู่จะต้องไปสูงส่งและสูงสุดนะแต่เปรียบเทียบให้ฟังว่าพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าว่าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลไปทางต่ําไปตกทนรกหมกไหมไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่เป็นช้างม้าโ ว, วกไฟเป็นได้ทางนั้นเพราะอะไรเพราะกรรมชั่วพาไปเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายกรรมชั่วอย่าทำเฉยๆดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนี้ได้กล่าวถึงปูชาจะปูชนียานัง แต่เป็นภาษาบาลีป่าพระป่าพระดวงกระผมขอกราบขออภัยในพระบาลีของหลวงกระผมได้ยกขึ้นมากระผมเน้นหนักไประหว่บปูชาจะปูชนียานางการที่มากล่าบสังเวทนนิยตถาในวันนี้ก็ะเพ็นเป็นการบูชาพระคุณองหลวงปู่พระหลวงปู่เป็นผู้มีขุนูปการต่อประเทศชาติต่อพระลูกพระหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกระผมเอง หลวงปู่เป็นผู้มีพระคุณจึ ง, จ, งจะยกเป็นว่าปูชาจะบูชนานียหนังบูชาบุคคลที่ควรบูชาจากนั้นก็มรณละธำ ม, ม, มหิมรนังอนาตีโตคนเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นความได้เรามีความตายเป็นธรรมด้จะล่วงพ้นความตายไปไม่ไดอ้อันนี้ก็ได้ยกขึ้นมา และก็ขยาวยธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะซัมปาเดทาติอันนี้เป็นพุทธภาษิต ท, ที่พระพุทธองค์ก่อนที่จะปรินิพานในวันเดือนหเพนวันนั้นพระองค์ได้เรียกประชุมได้บอกพระสงฆ์ว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยงขอให้พวกเธอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด อันนี้ก็คือพระ อ, องค์พระพุทธเจ้าได้สั่งเสียพวกเราท่านทั้งหลายบอกว่าร่างกายสังขารมีเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่างประโยชน์ตนขณะยังมีชีวิตอยู่ประหยัดประโยชน์ตนก็ให้มองประกอบคุณงามความดีรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาตามอัตภาพาถ้าเป็นคณะศรัทธาญาติโยมก็เออเอา มองตอนเองให้มีศีลท่ า, าหรือว่าให้มีการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิประกอบคุณงามความดีหาเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ให้ตั้งอยูนะ่ในความไม่ประมาทบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญ า, าส่วนตัวจะให้ขาดตกปกพ้องอาการภายนอกอาการสงเคราะห์อนุอเคราะห์ก็จะให้ขาดตกปกพ้องเรื่อประโยชน์คนอื่น นี่แหละพระพระองค์สั่นสั่งเสียพวกพุทธบริษัทของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐปรินิพานนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายถ้าปฏิบัติ ต, ตามำคําสอนของพุทธะถ้าอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนจะมีแต่ความร่มเย็นผาสุขท่วนหน้ากันการกล่าวสังเวทนตยคาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนัไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพบุญมรรีขององค์หลวงปู่ที่ทไดท้ท่านได้บาเพ็ญมายาวนานขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวัง ดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเถิน